ในมงคล38นั้นก็ในคำสอนมีทั้งหมดอยู่ส8มสบดมงคลเนี่ยนะถ้าตามภาษาบาลีก็บอกว่าอาเสวนาจจพารานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจจปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังปฏิรูประเทสวาโสจะปุเพจ่าคตาปุญญาตาอัตสัมมาปณีทีจะเอตัมมังคลมุตตมังพาหุสัจจัญจะสิปัญจะ วินายโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคารมุตตะมังมาตาปิตอุปัฏานนางพุถธทารัจัปุทธธาระสะสังฆโหอนากราจกรรมันตาเอตัมมังคารมุตตะมังธานันจะธรรมจริยาจะยาตกานันจะสังฆโหอนาวชานิกรมานิเอตัมมังคารมุตตะมังอรตีวิรติปาป่ามัจจปาณาจัสญยโม อปมาโดจะทำเมสุเอตมังครมุตเตมังคารวจะนิวาโตจะสันตุถีจะกาตานยุตากาเลนธรรมสวรังเอตมังครมุตเตมังขันตีเจโสวจัสตาสมานานันจัดศสนังกาเลนธรรมสากระฉาเอตมังขรมุตเตมังตโปจะพระมจริยันจะอริยสัจนาทสนังนิพานสัฉิกิริยาจะเอตมังครมุตเตมัง พุทธะโลกธรรมเมหิจิตังยส า, านกรรมปติอโซกังวิรชังเขมังเอต ม, มังกลมุตตะมันติเนี่นอันนี้คือพระมงคล38ในมงคล38ดังที่ได้เคยกล่าวไว้นั่นก็คือการไม่ครบคนพานการครบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชาการอยู่ในประเทศที่สมควรการได้ทำบุญไว้ในปางก่อน การตั้งตนไว้ชอบการพังทำการศึกษาศิลปะวินัยที่ศึกษาดีแล้ววาจาสุภาษิตการบำรุงมารดาการบำรงบิดาการสงเคราะบุตรภรรยาการงานไม่อากูนทานการให้การประพฤติธรรมการสงเคราะห์ญาติการกระทำงานที่ไม่มีโทษการเว้นจากบาปการสัมรวมจากการดื่มน้ำเมาความไม่ประมาทในธรรมต่างหลายความเคารพ ความประพฤติถ่อมตนความสันโดษความกระตัญยูรู้คุณท่านการฟังธทำตามการความอดทนความเป็นผู้ว่าง่ายการได้เห็นสมณาการสนทนาธทำตามการความเพียรเผากิเลสการประพฤติพรหมจารย์การเห็นอริยสัจการกระทำพระนิพพานให้แจ้ง จิตของผู้ใดถูกโลกธระทํากระทบแล้วไม่หวั่นไหวความไม่เศร้าโศกจิตที่ปราศจากทุรีคือกิเลสจิตที่เป็นกเกษมปราศจากโยคะมีกามโยคะเป็นต้นอันนั้นคือมงคลทั้ง38ประการตามอุเทศตามหัวข้อเนี่ยนีต่อไปเราก็มาศึกษากันตามลําดับการศึกษาตามลําดับในครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วได้พูดถึงในเรื่องของการบํารุงมารดาบิดา ทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของมงคลในข้อที่ว่าการบำรุงมานดาบิดาเนี่ยในครั้งที่แล้วที่ได้พูดไปถ้ากล่าวตามคำสอนกล่าวตามคาสอนก็คือว่าเป็นมงคลข้อที่11 1เนี่ยพระพุทธองค์สอนให้เราได้บำรุงพ่อแม่แต่เมื่อจะทำการบำรุงท่านน่ควรจะรู้จักหน้าที่ของท่านเสียก่อนเออถ้าบอกว่าเป้าหมายที่สำคัญแห่งหน้าที่ของท่านนั้นนะ อยู่ที่การให้กำเนิดแก่เราและการให้อุปการะเลี้ยงดูเราทีนี้ในหน้าที่ทั้งสองนั้นเนะี่การให้กำเนิดแก่เราเป็นหน้าที่ธรรมดาซึ่งมีเองเป็นตามประเพณีส่วนการให้อุปการะเลี้ยงดูเรานั้นเนะ่เป็นหน้าที่ทางคุณธรรมซึ่งท่านที่ปลูกฝังคุณความดีลงในตัวท่านเองแล้วก็แผ่ผลประโยชน์สุขให้แก่เราด้วยทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้นะว่าพ่อแม่เนี่ยตรงนี้ ได้อธิบายไปแล้วแต่ก็ย้ยอนนิดนึงก็คือว่าเมื่อท่านได้เป็นคู่สมรสซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยมีความหวังร่วมกันเป็นจุดเดียวกันที่อยากจะได้ลูกและใครจะให้ลูกได้ดีเนี่ยให้ลูกมีสติปัญญามีครอบครัวต้องพาการรักษาศีลเจริญภาวนาบ้างอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นบ้างเนี่ยคนมีลูกก็เป็นอย่างงี้นยอันนี้ถาม ถามพ่อไม่เวลาเขามีลูกเนี่ยเขาแต่งงานกันเนี่ยบางคนก็เ อ, อ, อยากมีลูกแล้วบางคนก็โหเขามีที่ไหนบนก็อ้อนวอนมีคนหนึงเขาไปบนกับเจ้าพ่ออะไรก็ไม่รู้ว่าได้ลูกมาโว้ดึ้นนะดูเลยก็ว่าแต่เขาไม่ถือสารเนี่ยเขาบอกกันนี้ไม่ใช่ลูกเขาหลอกถามลูกอะไรลูกเจ้าพ่ออัม่กล้าว่าเลยว่าลูกเจะเราฟังก็เขาเลยจากนั้นพ่อแม่เนี่ยนะถ้านนึนกว่าดังที่ได้กล่าวไว้เนี่ย พ่อแม่เป็นพรหมของบุตรนั้นอย่างหนึ่งเป็นปุรประเทศเป็นเทวดาองค์แรกนั้นอย่างหนึ่งถ้าบอกว่าเป็นเทพเนี่ยนะเทวดาองค์แรกของโลกเทพในนี้ท่านหมายถึงวิสุทธิเทพเนี่ยเป็นพระละหันเทพนั้นมีอยู่สมอย่างสมมุติเทพอุปติเทพแล้วก็วิสุทธิเทพถ้าสมมุติเทพเทวดาโดยสมมุติก็หมายถึงเจ้าว่ายโยเป็นดินเนี่ยถ้าหากอุปติเทพเทพเทวดาโดยการอุบัติเกิดขึ้นนี่เป็นเทวดาจริงๆนะ ที่อยู่ตามสวรรค์ชั้นต่างๆมียาโตหาัหมาลาชิกาตาวติงสายามาดุสิตนิมมานอรดีเป็นต้นอันนั้นคืออุปดิเทพส่วนวิสุธทธิเทพเนี่ยเทวดาโดยความบริสุทธิ์นั่นหมายถึงพระอรหันต์ฉะนั้นพ่อแม่จึงจัดเป็นวิสุธทธิเทพของบุตรเป็นพระอรหันต์ของบุตรนั่นเองไอตรงนี้ก็คือว่าเราท่านทั้งหลายก็บูชาท่านก็จะได้อานิสงส์มากเพราะท่านเป็นวิสุธทธิเทพของบุตรนั่นเองแต่ใครยังมีเทวดา ที่เป็นวิสุทธิเทพอยู่<ๆ>ก็เป็นบุญของท่านบุญนั้นหมดแล้วก็เป็นปุปพาจารย์ก็แปลว่าอาจารย์คนแรกอาจารย์นอกนั้นก็เป็นปัจฉาอาจารย์เป็นอาจารย์คนหลังๆใช่ไหมอย่างเราไปมีอาจารย์สักร้อยคนพันคนก็แล้วแต่นอกนั้นเป็นปัจฉาจารย์หมดเลยไม่ใช่ปูรพาจารย์ไม่ใช่ปุปพาจารย์อาจารย์คนแรกหมายถึงพ่อและแม่งี้เป็นต้นฉะนั้นการสอนของพ่อและแม่นั้นนี่ยก็เป็น เป็นอาจารย์ประการที่4ก็เป็นอาหุเนียบุคคลก็แปลว่าบุคคลที่ควรได้รับการบูชาด้วยข้าวน้ําเป็นต้นพ่อแม่เป็นผู้สมควรแก่การบูชาสการะของลูกเพราะมีคุณควรแก่การบูชาฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในพรหมสูตรทั้งในติกาอนิบาตและจตุกานิบาตพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคําว่าพรมคําว่าปุพเพ ปุพาเทพปุพาจารและอหเนยยบุคคลนั้นเป็นคำสำหรับเรียกพ่อแม่เพราะเหตุไรเพราะท่านเป็นผู้มีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่ลูกพระพุทธเจ้าบอกว่าที่บอกว่าเป็นพรมเป็นเทพเป็นปูพาจารย์เป็นอหเนยยบุคคลนั้นเน่เป็นคำเรียกพ่อแม่ลูกเป็นพ่อทีนี้การตอบแทนบุญคุณของท่านก็คือว่าถ้าเพราะเหตุที่พ่อแม่นี่นี่ย มีอุปการะมากเหลือล้นต่อลูกนึ่ฉะนั้นการตอบแทนบุญคุณของท่านให้เหมาะแก่อุปการะนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่สิ่งที่จะทําได้ง่ายพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าลูกจะพึงวางแม่ไว้บนบ่าวางพ่อแม่ไว้บ่าวไว้บ่าของตนเนี่นะบ่าซ้ายบ่าขวาเนี่ยประคับประคองท่านอยู่บนบ่านั้นให้ข้าวให้น้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะลดลูกมีอายุร้อยปีนีกระทาอยู่อย่างนั้นตลอดร้อยปีไม่เชื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณ แต่ถ้าจะตอบแทนบุญคุณของท่านแล้วก็บอกว่าคือทําให้ท่านมีมศรัทธามีศีลมีการเสียสละมีปัญญาอันเป็นสาระของชีวิตที่แท้จริงอันนี้เป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่อย่างถูกต้องอันนี้เราก็ไปตรวจสอบดูในสิงคาลหสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้หประการก็บอกว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงท่านต่อใครทํากิจตรงนี้ก็น่าบูมใหญ่แล้วใช่ไหมท่านเลี้ยงเรามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยงท่านต่อ ประการที่สองก็คือทำกิจของท่านคือท่านมีกิจการงานอะไรก็ทำกิจประการที่สามก็คือดํารงวง์ตระกูลรักษาวง์ตระกูลก็ว่าประการที่สี่ก็คือทําตัวให้สมควรได้รับทรัพย์มรดกคือทําตัวให้ดีเนี่ยอย่าไปประพฤติผิดโลกผิดทางก็ประการสุดท้ายก็คือว่าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศให้ได้อันนี้การตอบแทนบุญคุณทั้งหประการเนี่ยเป็นการตอบสนองคุณต่อพ่อและแม่อันนี้ตอบแทนแบบอย่างต่ำเนะ ยังต่ำแนละใครทําได้เนี่ยนะท่านเลี้ยงเรามาแล้วที่เลี้ยงท่านตอบทํากิจของท่านดำรงวงศตระกูลทําตนให้สมควรได้รับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอยู่ที่ท่านนี่ยังต่ำเนีเมื่อลูกได้สนองคุณของพ่อแม่ด้วยวิธีการดังกล่ารแล้วชื่อว่าเป็นการปลดเปลื้องหนี้ของตนหรือใช้บุญแทนคุณของท่านแล้วโดยสิ้นเชิงนับเป็นศรีสงหาและเป็นมิ่งขวัญของวงศตระกูลดังนั้นเนี่ยนีย การบำรุงพ่อแม่เนี่ยเมื่อลูกได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามตานองของธรรมแล้วพระพุทธองค์เนี่ยก็ยกย่องเสริเสริญว่าเป็นมงคลใ น, นสูงสุดเพราะเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุผลที่ต้องประสงค์ก็คือว่ามีความเจริญในโลกนี้และก็ในโลกหน้าเป็นต้นนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ประการต่อไปก็คือว่ามารดาและบิดาเรากล่าวว่าเป็นพรหมเป็นปุพาจารย์เป็นเอาเนยญาบุคคลของบุคของบุตรเนี่ย เพราะเป็นผู้อนุเคราะห์บุตรเพราะเหตุนั้นแหละบัณฑิตพึงนอบน้อมและสักการะมารดาบิดาทั้งสองนั้นด้วยก็คือว่าบูชาท่านด้วยข้าวด้วยน้ําด้วยผ้าด้วยที่นอนด้วยการขัดสีด้วยการอาบน้ําล้างเท้าบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคล น, นั้นในโลกนี้ทีเดียวและเพราะการปฏิบัติในมารดาบิดาพวกเหล่านั้นน่ยละโลกนี้ไปแล้วก็บริเทิงอยู่ในสวรรค์จะบอกว่าเราดูแลท่านเนี่ยให้ข้าวให้น้ําเป็นต้น นวดฟันดูแลในโลกนี้เราก็ไม่เดือดร้อนตายไปแล้วก็ไปบันทึงในสวรรค์ก็เรียกว่าอันนี้เป็นมงคลได้ทำมั้ยยังกำลังทำอยู่นี้กำลังดีเลยทีนี้แล้ว ก, ก็ก็ได้บุญเนีเป็นเหตุให้ไม่ตกในโลกถ้าเราจะจะนึกตําหนิจะด่าท่านก็นรกเนินนรกเนินดนะึกอย่างเงี้ยดึกบ่อยๆเราก็ไม่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิกสูจนทั้งหลายมารดาย่อมรักษาทารกนั้นด้วยท้องเก้าเดือนบ้างสิบเดือนบ้าง เมื่อล่วงไปเก้าเดือนหรือสิบเดือนมารดาก็คลอดทารกผู้เป็นภาวะหนักนั้นด้วยความเสี่ยงชีวิตมากพุทเจ้าสัตย์นี่อันนี้ต้องถามคนเคยท้องจะรู้ใช่ไหมคือเก้าเดือนบ้างสิบเดือนบ้างถ้าเขาดื้อเนี่ยก็ยกพาะสิตรุยกคําพูดตรงนี้มาพูดบ่อยๆเขาก็จะอ่อนโยนนิดนึงบอกว่าพอเขาเกิดเราบ่นเราว่าเขาเขาไม่เชื่อใช่ไหมล้วก็บอกว่าแม่ไอ้เก้าเดือนและสิบเดือนเนี่ยทรมานเลยเสี่ยงชีวิตกลัวจะ ก็ค่ะข้อทารกผู้เป็นภารัหนักเนะี่ยด้วยความเสี่ยงชีวิตมากและทาลกผู้เป็นภารัหนักนั้นนะ่ยซึ่งเกิดมาแล้วโดยโลหิตของตนนะีด้วยความเสี่ยงชีวิตมากนะ่ยดูก่อนภริศูตทั้งหลายน้ํานมของมารดานับเป็นโลหิตในอาริยวีในก็คือโลหิตก็คือเลือดเนี่ยใช่ไหมน้ํานมของแม่บุคคลใดอันนั้นในมหาตันหาสังคยสูตรหนึ่งส่วนในสุวรรณสามชาดก พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูบุคคลใดเนี่ยนะเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรมแม้เทวดาและมนุษย์ย่อมสรรเสริญผู้เลี้ยงมารดาบิดานั้นบุคคลใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรมนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลผู้เลี้ยงมารดาบิดานั้นในโลกนี้บุคคลนั้นเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะบันเทิงในสวรรค์นะในชาดกท่านก็กล่าวว่าแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสอีกว่าดูก่อนวิสูุทั้งหลาย เรากล่าวการกระทําการตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองนั้นคือใครคือมารดา1บิดา1บอกว่าโอ้ไม่ใช่ตอบแทนง่ายๆนะยากใช่ไหมเลี้ยงเด็กอะมันเขาท่านเลี้ยงเรามาเนี่ยท่านสาหัสการเนี่ยโอ้ท่านไม่ไ ม, ไม่ไม่บน่นแต่พอเราจะเลี้ยงท่านกล่าวจะมแมเราบน่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุตรพึงประครับประคองมารดาด้วยบาข้างหนึ่งพึงประคองบิดาด้วยบาข้างหนึ่ง เขามียอายุตลอดร้อยปีเขาพึงปฏิบัติท่านนั้นด้วยการอบด้วยการนวดด้วยการให้อาบน้ำด้วยการดัดท่านทั้งสองนั้นทายุเจราปสวาบนบ่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการกระทําเหล่านั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรกระทําแล้วหรือตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสริยะอัศอิสระ อ, อิ ส, ร, อสริยทิปัดเนี่ในแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนะทั้ง7ประการนั้น การกระทํากิจอันนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรกระทําหรือตอบแทนคุณของมารดาบิดาเพราะอะไรเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบํารุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายบุตรสถาปนาพ่อแม่เป็นปวิญญาณจักรพรรดิยังไม่ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้หมดเลยส่วนบุตรคนใดยังมีดาบินดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมานทั้งมันในศรัทธาสมบัตินะ ยังมานดาบิดาผู้มีความตนหนีให้สมาทานตั้งมั่นในจาคะสัมปทารู้จักจาคะสัมปทาไหมบริจาคเนะี่ยยังมานดาบิดาให้สามปัญญาให้สมาธานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาดูก่อนภิสษุ์ทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้การกระทำนั้นย่อมชื่อว่าบุตรนั้นทำแล้วตอบแทนบุญคุณมานดาและบิดาตรงนี้เราก็ไปดูนะี่เมื่อเออหนึ่งให้ท่าน ถ้าท่านไม่มีศรัทธาให้ท่านมีศรัทธาถ้าท่านตนีให้ท่านมีจาคะถ้าท่านไม่มีปัญญาก็ให้ท่านมีปัญญาเนี่ยอันนี้โอ้ตอบแทนบนุญคุณท่านแล้วนรชนผู้เป็นบุตรเนี่ยนะเลี้ยงดูมารดาบิดามีปกติผู้พืติอ่อนอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเจรจาอ่อนหวานกล่าวแต่คํามสมานมิตรละคําส่อเสียดประกอบในอุบายเป็นเครื่องกําจัดความตนีมีวาจาสัตย์ครอบงำความโกรธได้ นั่นแลเรียกว่าสัพ บ, บุรุษนี่นะเขาบอกว่าเราเลี้ยงมารดาบิดาเนี่ยหนึ่งต้องประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านเขาเรียกอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลและประพฤตินอ่อนน้อมแล้วยังไม่พอเวลาจะพูดกับท่านก็พูดคำฟล้อๆกเรียกใจลาจางหวานหวานก็เรียกปีญวาจาแล้วก็คําพูดแต่ละคําก็ไม่พูดแตกแยกพูดพูดคําสมานมิตรแล้วก็ไม่โกรธมีวาจาสัตว์ครอบงามความโกรธได้อันนี้เป็นสัตว์บุรุษ บัณฑิตทั้งหลายย่อมปรารถนาอภิชาติบุตรและอนุชาติบุตรไม่ปรารถนอาอวชาติบุตรเป็นผู้ทําลายตระกูลส่วนบุตรเหล่าใดเป็นอุบาสกบุตรเหล่านั้นแลชื่อว่าเป็นบุตรในโลกก็หมายความว่าบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยสอนบอกว่าเออถ้าคุณจะเป็นคุณต้องเป็นอภิชาติบุตรนะหรืออย่างน้อยก็คืออนุชาติก็คือหมายความว่าเสมอกับพ่อมเองแต่อย่าไปเร็วอย่าไปต่ำกว่านะั้น บุตรเราได้มีศรัทธาถึงพร้อมได้ศีลอบอ้อมาลีรู้ความประสงค์ปราศจากความตนีย่อมรุ่งเรืองในบริษัททั้งหลายเปรียบเสมือนพระจันทร์พลนแล้วจากเมฆราคีเช่นั้นเออถ้าหากว่าเราเป็นลูกเนี่ยของพ่อแม่เป็นต้นก็ต้องว่ามีศรัทธามีศีลมีความอบอ้อมาลีแล้วก็รู้ความประสงค์ด้วยปราศจากความตนีด้วยรุ่งเรืองในบริษัททั้งสี่ มารดาบิดาผู้ฉลาดเล็งเห็นฐานะห้าประการจึงปรารถนาบุตรด้วยความหวังว่าบุตรที่เราเลี้ยงมาแล้วจกเลี้ยงเราตอบอันนี้ความหวังของพ่อแม่จากทํากิจของเราจากรักษาวงศตระกูลของเราให้นานเนี่นะรักษาวงศตระกูลก็คือว่าเมย์ทาวงตระกูลนั้นไม่ให้ขาดนะไม่ขาดในที่นั้นหมายความว่าเมยให้ลูกให้หลานสืบต่อกันไปนั่นนะรักษาไปยัง อย่างเช่นวงของ์พุทธเจ้าเนี่ยนะฮะมาเป็นหลายพันปีเนี่ยวงองคพวงเรานี่ยถึงร้อยปีเรารักษาองคตระกูลตระกูลบางตระกูลเขารักษาเขาดีจริงๆเนี่ยเารักษายาวๆแล้วก็ปกครองทรัพย์มรดกเมื่อตายไปแล้วบุตรจักบำเพ็ญทักษิณาทานให้ถึงปีถึงครบอะไรต่างๆก็ทําบุญอุทิศให้มารดาบิดาผู้ฉลาดเล็งเห็นฐานหน้าเหล่านี้แล้วก็ปรารถนาบุตรคือ อันนี้ท่านพูดถึงมารดาบิดาที่ฉลาดเนี่ยท่านก็คิดว่าเออตระกูลของเราเนี่ยถ้าไม่มีโูกเนี่ยมันก็จะจะสดุดจะหมดแค่ตรงนี้ใช่ไหมปราถนาบุตรดีกว่าพอมีบุตรเบ็ดเสร็จนี้บุตรนั่นก็มารักษาวงตระกูลนี่รักษาวงตระกูลแล้วไม่พอก็คือว่าอจากจากทํากิจแทนเราด้วยเช่นเราทํากิจการอะไรก็ไว้เนี่ ย, เ, ยเขาเขามีกันอย่างนี้เนี่ยก็เาเรียกสืบทอดอํานาจ <c oughs> เรื่องสืบทอดอํานาจ เตรียมขาไว้ย่งเยมพิษหาคนสืบทอดอำนาจเนี <c oughs> เนี่เขเรียกงี้ยฮะสืบทอดอำนาจเนี่ยถ้าพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเข้าการบ้านกันเมืองไม่ดีฉะนั้นบุตรผู้เป็นสับบุรุษนี่นะผู้สงบมีกตันอยูกะตะเวที <c oughs> เมื่อระลึกถึงบุญคุณของท่านจึงเลี้ยงมารดาบิดาก็ทํากิจแทนท่านเชื่อฟังโอวาทเนี่ยเลี้ยงกรสนองบุคุณท่านสมดังที่ท่านเป็นปุพบกาลี ดำรงวงตระกูลบุตรผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมเป็นที่สารเสริญไปทั่วอันนี้ในปุตตสูตรส่วนในตักกัลาชาดกบอกว่าผู้ใดเป็นคนมีธรรมอัลลามกธรรมอัลลามกในที่นั้นก็คือมีราคะมีโทสะมีโมหะมีบาปอากศุศลมีความชั่วช้าในจิตใจเนี่ยนะเบียดเบียนมารดาบิด า, ดาผู้ไม่ประทุษลายผู้นั้นคันตายไปแล้วเนี่ยภายข้างหน้า ก็เข้าถึงนรกโดยไม่ต้องสงสัยไอ้ตรงนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยคนที่ไม่รู้บุญคุณของคนเนี่ยนะเบียดเบียนผู้มีอุเบกร า, าคุณโดยประการอะไรต่างๆมีการทุบมีการตีมีการด่าเป็นตน้นนั้นถ้ า, าว่าเราเราตําหนี่พ่อแม่เนี่ยถ้าตําหนีคนอื่นเนี่ยบาปมันก็น้อยใช่ไหมตําหนี่พ่อแม่บาปมากบาปมันเกิดเดยอะถ้ายิงเบียดเบียนท่านน่ยโอ้ไม่ต้องสงสัยเลยลงนรกอย่างเดียว นรชนได้ปฏิบัติผิดในมารดาบีดาและตะถาคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือในสาวกของพุทธเจ้านรชนนั้นประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นแนันมากบัณฑิต ท, ทั้งหลายย่อมไม่สรรเสริญ น, นรชนเหล่านั้นในโลกทีเดียวเพราะเหตุที่ประพฤติผิดในมารดาบีดาเขาละโลกไปแล้วก็เข้าสู่ไบยะภูมิส่วนนรชนเหล่าใดนะปฏิบัติชอบในมารดาบีดาหรือปฏิบัติชอบในพระตถาคต ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้านรชนเหล่านั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากบัณฑิตทั้งหลายก็สารเสริญนรชนเหล่านั้นในโลกนี้ทนะีเดียวนั้นในโลกนี้นะบัณฑิตก็สารเสริญล้าจากโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในสวรรค์เพราะเหตุแห่งการประพฤติชอบในมารดาบีดานั้งบอกว่าถ้าเขาล้าโลกนี้ไปเมื่อไหรก่ก็จะบันเทิงบันเทิงในที่นั้นคือเขาอยความสุขในสวรรค์ คนปฏิบัติชอบต่อมาดาบีดาต่อพระพุทธเจ้าต่อสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นต้นต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นต้นเหล่าเนี้ยถ้าเขาจะละโลกไปนะเนี่ยเขาก็ไปได้วยความเย้ยมเย้มแจ่มใสเพราะชีวิตของเขามีแต่ความสุขใช่ไหมเขาสดชื่นมากเหมือนการที่เขาจะไปรับตาแหน่งใหญ่ๆ <c oughs> ฉะนั้นเราปฏิบัติไปเหอะพ่อแม่เนี่ยนะพอปฏิบัติเปิดเสร็จถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยนะถ้าจะต้องทิ้งหรือจะต้องล้ล่างหรือจะต้องตายเนี่ยนะ เราก็จะต้องได้มีตําแหน่งสูงขึ้นนี่เป็นอย่างนี้มันเหมือนว่าเราตอนนี้เรากําลังขวนขวายในการที่จะในการที่จะสร้างสถานะของตัวเองเพื่อจะไปรับตําแหน่งที่ดีขึ้นฉะนั้นเวลาเราจะไปเนี่ยก็ไปอย่างภูมิใจเลยใช่ไหมบอกก็าถามว่าเสียใจไหมที่จะตายบอกไม่เสียใจเราเพราะเราจะไปรับตาแหน่งดีๆขึ้นนี่เป็นอย่างนี้แต่ถ้ารู้ว่าแต่ถ้ารู้ว่ามันจะตกต่ำนี่นะโอ้ เดอดร้อนนะได้ยินว่าไม้เท้าของเรายังจะดีกว่าพวกบุตรที่ไม่เชื่อฟังเราจะดีกอะไรเพราะไม้เท้ายังป้องกันโคและสุนัขดูได้คือในที่มืดยังใช้ยันไปข้างหน้าได้ในที่ลึกยังใช้หยั่งดูได้พลาดแล้วก็ยังให้ด้วยอนุภาพของไม้เท้าก็บอกว่าไม้เท้าของผู้เท่าดีกว่าลูกเต่าอากตันยูคนไม้เท้าที่ค้ายันนี่ยึ เมื่อวานเมื่อวานก็ไปถ่ายไปไปอ่านเจอคำสอนก็มีปัญหาก็บอกว่าออตอนเช้าเดินสี่ขาตอนเที่ยงเดินสองขาพอเย็นลงมาเดินสามขาคืออะไรก็ <c oughs> เช้าสี่ขาเด็กทานลบตอนเที่ยงก็คือคนหนุ่มสาวเนี่ยพอตอนเย็นก็คือเดินสามขาคือนแก่ถือไม้เท้าไม้เท้าเนี่ย ไม่เท้าเนี่ยดีกว่าลูก อ, กอักเสบดูดีกว่าหลาน อ, ากานอักเสบดูนึงเพราะมันยังช่วยคำ้ำช่วยยันช่วยอะไรต่างๆป้องกันโคลต้องกานเลยแต่ถ้ามีลูก อ, กอักเสบดูนี่ป้องกันอะไรไม่ได้ให้แต่ความเจ็บปวดอย่างเดียวขนาดเจ็บป่วยขนาดไหนก็ไม่มาดูแลนะมีลูก อ, กอักเสบดูนี่เขาคอยนึกในใจเมื่อไหร่จะตายเขาหมายรัพย์มีคนคนหนึ่งโอ้โหเขาทาเรื่องเดือดร้อนใจเนี่ย แม่แม่พ่อแม่เรมาฝากร้องไห้ลูกเป็นลูกชายนี่มันอยู่เนี่ยอาถามบอกว่าเขาดื้อมากบางทีก็เป็นมีเรื่องมีาราวพ่อแม่เนี้ยเดี๋ยวก็สลบเดี๋ยวก็สลบอยู่นั่นแหละร้องไห้เนี้ยก็เลยถามบอกว่าเองเนี่ยไม่สงสารแม่หรือว่างัเนี่ยเวลายังไปทําอะไรไม่ดีเพราะแม่ก็สลบร้องไห้จนสลบไม่มีอะไรแล้วพราจารย์ก็สลบก็เห็นฟื้นทุกที เฮ้ยน้จะสอนอยังงเลยตลกค่อเห็นพื้นทุงทีได้ทําไงเนี่ยแม่ถ้าใครไปเจอลูกเตียหลานอย่างนี้ก็ลำบากเลยเตรียมบริจาคทรัพย์ให้ทางการได้แล้วจนมีบางคนนีในต่างประเทศเนี่ยมีลูกมีอะไรได้ดื้อเนี่ยไม่ให้อ่ะพอตายไปแล้วเนี่ยไปยกทรัพย์สมบัติให้สุนัขมีจริงๆรนะไม่ให้ลูกให้หลานเลยแต่ให้สุนัขโอ้โหมีเงินเป็นพันล้านให้สุนัขแล้วยังมีคนต้องมาคอยดู ดูสนัขนั้นด้วยนะยกตุ้มบัตรให้สุนัขสิการสง่งเคาะลูกเป็นภาระกิจที่ยากมงคลที่12ก็เลยสง่งเคาะบุตรนะฉะนั้นการสง่งเคาะบุตรเนี่ยเนี่ยยากยากกว่าการปกครองบ้านเมืองกับการดูแลบุตรพ่อแม่มีสิทธิ์สง่งเคาะลูกโดยหน้าที่กับจริงเนี่ ย, ยแต่สง่งเคาะลูกด้วยความรักซึ่งยากนักจะปรับความรักกับการสง่งเคาะให้กลมเกลืนกันนะ เพราะบางทีความรักนั่นเองก็คือศัตรูของการสงงคอเป็นเหตุให้ลูกต้องพลอยเสื่อมเสียไปด้วยทีนี้ความผิดที่เกิดขึ้นในการปกครองบ้านเมืองเนี่ยนะอาจแลเห็นและจัดต้องได้ง่ายกว่าแต่ความชั่วที่เกิดขึ้นแก่ลูกมักมีความรักเข้ามาเป็นเครื่องบังตาลวงพ่อแม่ไม่ค่อยให้แลเห็นแล้วก็ในที่สุดก็แก้ไม่ได้เออบางทีเนะี่ยพ่อแม่เนี่ยนะ พ่อแม่ปู่ย่าตายายเวลารักรักลูกหลานเดินมันที่มันปิดบังกันนึงบังพี่ถึงทำผิดยังไงก็นั่นแหละลูกของเราลูกของเราบางคนเนี่ยโอ้โหเสียเพราะลูกลูกไปทำผิดไม่รู้ตัวเรฉะนั้นการส่งคล้อลูกเป็นภารกิจที่ยากจะปรับความรักกับความส่งคล้อให้ดําเนินไปด้วยการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเนี่ยจึงควรเจะตนหนักในคาสอนของพระพุทธเจ้าเขาว่า แต่เมื่อพ่อแม่ส่งข้อลูกด้วยความรักอย่างเดียวไม่อาศัยความเป็นธรรมเข้ามากำกับด้วยอำนาจนำลูกไปในทางที่เสียแล้วก็ตามใจลูกในทางที่เสียหายไปก็อันนี้ก็เสียหายเลยส่งข้อลูกเนี่ยนะก็ต้องนึกถึงคำสั่งสอนก็บอกว่าถ้าลูกคนใดเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมในความโอบอ้อมาลีในความกล้าหาในทางที่เป็นประโยชน์แล้วก็ ในที่สุดจริงๆก็ทำความเสียาหายให้กับพ่อแม่นับว่าเป็นผู้ที่ทำให้พ่อแม่ประเภทของลูกเนี่ยนะตามทัศนาทางพระพุทธศาสนาเนี่ยการนับลูกในชั้นชาดกเนี่ยท่านแบ่งเป็นสามประเภทคือในปันดราชาดกในติงสะนิบาทบอกว่าอันเตวาศีลูกที่อยู่อาศัยศึกษาศิลปวิทยานี่หมายถึงลูกศิษย์เรียกอันเทวาสิย ทินนะทินนท ะ, ะลูกที่เขามอบให้ลูกเลี้ยงหรือลูกบุญธรรมเนี่ยก็ เ, เรียกทินนท ะ, ะส่วนอัตราชาลูกที่อาศัยตนเกิดอันนี้หมายถึงลูกในทรายจากชั้นชาดกเนี่ยถึงชั้นพระสูตรเนี่ยการนับลูกในชั้นพระสูตรท่านแบ่งลูกออกเป็นสาประเภทอันนี้เอาพิ่ชาติบุตรเนี่ยลูกผู้มีภูมิธรรมสูงกว่าพ่อแม่อนุชาติบุตรลูกผู้มีภูมิธรรมเสมอกับพ่อแม่ ส่วนอว่าชาติสบุตรลูกลูกที่มีภูมิธรรมต่ำกว่าพ่อใช่ไันแบ่งในลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าใครได้ลูกที่เป็นประเภทอภิชาติหรืออนุชาติก็เป็นบุญของท่า น, นหลานก็เหมือนกันนส่วนมงคลข้อต่อไปมงคลในบอกว่าการส่ง้อภรรยาเก็บให้หมดเลยในตรงนีน้อันนี้สำหรับผู้ชายถ้าใครมีลูกหลานเป็นผู้ชายก็ไปสอนไป น, นาตามทัศนาทางพุทธศาสนาเนี่ย สามีภรรยาเนี่ยมีอยู่สคู่คือสามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาผีนี่ประเภทหนึ่งนะประเภทที่สองก็คือสามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาเทพธิดาประเภทที่สก็คือสามีเทพระบุตรอยู่ร่วมกันกับภรรยาผีและก็สามีเทพระบุตรอยู่ร่วมกันกับภรรยาเทพพบุตรลักษณะแห่งความประพฤติ ท, ทาให้สามีภรรยาแตกต่างกันก็คือว่าสามีคู่แรกเนี่ย ที่ว่าสามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาผีเนี่ ย, ยสามีภรรยาคู่แรกเป็นคนไม่มีศีลธรรธมทั้งคู่แล้วก็มีอัธยาศัยครับแคบปากกระไรสารพัดก็เอามาใส่ไปเหอะสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายเชา้ากลางวันเย็นเน่ยเล่นกันหลายยก <c oughs> ตบตามตบตามเนี่ยนี่สามีผีอยู่ร่วมกับสารพสามีภรรยาผีแล้วโดยมากจะอยู่กันได้ด้วยเนะ ประเภทที่โหดกันทั้งคู่เีย น, นหรือว่าร้ายๆกันทั้งคู่นี่อันนี้ก็คือว่าใครอยู่ใก ล, กลก้ๆก็โอโ้ก็ก็ไม่สงบสุขประเภทที่สองสามีภรรยาคู่ที่สองคู่ที่สองก็คือว่าสามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาเทพธิดาเนี่ยสำหรับสามีเป็นคนไม่มีศีลธรรมมีอัธยาศัยครับแค่ปากร้าย แต่ภรรยาเป็นคนดีมีศิลธรรมรู้จักพูดจาไพเราะ อ, อ่อนหวานสมัครสมานสามคัคคีมีอัธยาศัยเผื่อแผ่อันนี้สา ม, มีผีอยู่ร่วมกับภรรยาเทพที่ดาส่วนคู่ที่ 3, สามสามีภรรยาคู่ที่สามสำหรับสา ม, มีเป็นคนมีศิลธรรมก็เรียกสา ม, มีเทพประบุภรรยาผีนี่นนรู้จัก พูจาไพเราะอ่อนหวานสมัครสมานสามัคมคีมีอัธยาศัยเผื่อแผ่แต่ภรรยาเป็นคนไม่มีศีลธรรมมีอัธยาศัยขับแคบอันนี้คือสามีเทพบุตรอยู่ร่วมกันกับภรรยาผีส่วนคู่สุดท้ายสามีภรรยาคู่ที่สี่เป็นคนมีศีลธรรมเสมอกันเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีสติคลองตนระมัดระวังกิริยาวาจา เี้ยงดูกันโดยความชอบทำรู้จักพูดไพเราะอ่อนหวานสมัครสมันสามัคมคีคมคไม่เป็นศัตรูจองล้างจรปานซึ่งกันและกันไม่ทําพูดคิดให้ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังนี่คือสามีเทพประบุภรรยาเทพที่ดันี่เป็นอย่างนี้ส่วนประเภทของสามีภรรยาเนี่ยนียก่อนที่จะศึกษาวิธีสงเคราะห์เนี่ยต้องรู้จักภรรยาตามคําสอนในคัมภี้สัตกานิบาตอังคุตอรในกายเนี่ยนีย พระพุทธเจ้าแสดงประเภทของภรรยาและสามีไว้เจ็ดจำพวกสามีภรรยาเจ็ดจำพวกนเนี่ยนีภรรยาเจ็ดจำพวกก็คือวัฏกะภรรยาภรรยาเหมือนเพชฌคาตประเภทแรกนเนี่ยเนี่ก็ลองดูใจเราก็แล้วกันเนี่ยมันเป็นเหมือนนประเภทที่สองโจรีภรรยาภรรยาเหมือนโจร <c oughs> ไม่รูถ้าใครได้ประเภทนี้ยุ่งประเภทที่สาม ไอยาภริยาภริยาเหมือนนายหัวใช้ตะพืชเลยไอ้ชี้มือใช้อะอทำโน้นหน่อยทำนี้หน่อยชีอ้อันนี้สมกับการเป็นเจ้าบ่าวเลยเป็นที่ค่าวันก่อนก็ให้ไปบรรยายเรื่องแต่งงานก็เลยไปพูดเรื่องคำว่าเจ้าบ่าวให้เขาฟังพอพูดเสร็จแมถ้าผมไม่มั่นไว้ก่อนผมจะเลิกแต่งเลยพอจะจนเจ้าบ่าวจะเลิกแต่งงาน ผมเพิ่งรู้อันนี้เองเจ้าบาวคือขี้ข้าอย่าจริงเจ้าแต่มันดีนั้นแปลว่าพูดยิ่งใหญ่แต่บ่าวนี่ที่แปลขี้ข่าแม่พูดขี้เป็นขี้ข่าถาวรเลยอ่ะเขาบอกแม่พอท่านพอท่านพูดพู ด, พดจบมือผมอยากจะถอนมั่นเลยแล้วเขาพูดเล่นก็สั่งต้องพูดเล่นแต่แต่เราพูดจริงนี่อันนี้ก็เรียกว่าเหมือนนายมาตาภริยานี่ภรยาเหมือนแม่โอ้นี่่วง ห่วงสามีอย่างก็อย่างกับแม่ห่วงบุตรภรรยนีภรรยาภรรยาเหมือนพี่สาวอันนี้ก็ดี Tage. ห่วงสามีเหมือนกับพี่พี่ดูแลนอ้องสาขาภรรยาภรรยาเหมือนเพื่อนสาขาสาขาภรรยาเหมือนเพื่อนอันนี้เหมือนกันเป็นเพื่อนกัน เ, นเล่นกันเป็นเพื่อนเลย น, นีทาสีภริยานี่ภริยาเหมือนคนใช้โอ้ยทาเหมือนคนใช้เหมือนทาสเลยทาสีก็คือทาสนีนน่ สามีก็มีเจ็ดเหมือนกันสามีก็มีทาวาทาภัสดาก็คือหมายความว่าสามีเหมือนเพชฌฆาตโจรภัสดาคือสามีเหมือนโจรอายะภัสดาก็สามีเหมือนนายปีตาภัสดาก็คือเหมือนพ่อมาตาภริยาสามีเหมือนพี่ชายแล้วก็ทาสาภัสดาสามีเหมือนคนใช้อันนี้ก็ชายหญิงทุกคนนี่ย ก่อนจะมาเป็นคู่สมรสซึ่งกันและกันเนี่ยก็ได้มอบความรักแรกเริ่มให้แก่กันและกันว่าจะคลองรักกันเป็นกวดชีวิตจะหาไม่ใช่ไหมจะเป็นคู่ร่วมชีวิตร่วมสุขร่วมทุกข์เขาว่ากันอย่างงั้นแม้บางทีในปัจจุบับนนี้เขายังมีให้พรกันแปลกๆนะยังมีบอกว่าถือไม่เท้ายอดทองให้ดังไว้ทั่วประเทศเลยนะไ ม, ไม่เท้ายอดทองบอกว่าอืให้อยู่กันขนาดนั้นเลยก็สร้างหลักสร้างฐานกัน เขาเขาไปอวยพรกันเนี kind of enrolled, right ่ยถ้ไปไอ้เวลาไปงานแต่งเวลาพระไปก็จะไปสังเกตดูเขาอวยพรมืไอ้พวกเมาเมาหน่อยอวยพรดังพ้าก็ได้ยินแต่ถ้าพูดจริงๆไปเนี่ยมันก็ก็เป็นการเออเป็นเขาบอกว่าไปเห็นที่เขาหลอกกันเนะไอ้หลอกที่ว่าเอามือล้วงเข้าไปในไห้เขาบอกว่าล้วงห้าล้างสิบใช่ไหมในงานสมัยเด็กๆ เขาก็ล้วงเข้าไปในไหในต่มพอล้วงเข้าไปแล้วมันก็ติดเองเหนียวไม่ต้องไปล้างเขามีน้ำพวกเขาร้างถึงจะออกมาล้างเองไม่ออกถ้าล้วงไปเขาให้ห้าบาทแต่ถ้าไปล้างต้องเสียสิบบาทมันทําให้มันนึกถึงงานแต่งงานที่เขาบอกให้แต่งแต่งมันจะเหมือนนี้หรือเปล่าแทนที่มันจะได้กําไรแต่มันขาดทุนแต่ต่อมาเนี่ยเนี่ยเป็นคู่ร่วมชีวิตร่วมสุขร่วมทุกข์ก็สร้างหลกักสร้างฐานแล้วก็ ผู้สร้างบา ร, รมีกัน ก, ก็มีกันจริงๆนียเออไอ้นี้ก็มีอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นอะไนี้แต่ต่อมาเนี่ยบางคู่คงรักษาความรักไว้ตามเดิมและเปลี่ยนความรักไปในทางที่ดีขึ้นบางคู่ก็เปลี่ยนความรักไปในทางที่แย่ลงก็ในส่วนจริงก็หมดรักกันก็ต่างคนต่างเดินอันนี้ก็ต้องศึกษาคําสอนเออถ้าศึกษาตามคําสอนสามีภรรยาประเภทแรกเนี่ยนยีใจก็หมายความว่า สามีภรรยาเนี่ยจำพวกที่หนึ่งสามีภรรยาประเภทนี้เป็นคนก็เรียกว่าเหมือนใจขมิ้นคือใจง่ายนายเร็วเหมือนขมิ้นเนี่ยขมิ้นเนี่ยไหมสามีนอกใจภรรยาไปครบหญิงอื่นภรรยานอกใจสามีก็ไปครอบบุคคลอื่นมุ่งร้ายต่อกันเป็นนิดทําร้ายซึ่งกันและกันปากก็ร้ายพูดคำหนึ่งก็ด่าไปคำหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นประเภทแรกประเภทที่สองก็คือว่า สามีหรือภรรยาเนี่ยล้างผานอันนี้คําว่าโจรีภรรยาเนี่ยอันนี้หมายว่าเหมือนกับล้างสาล้างผานทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติที่เก็บหอมรอมริบมาเนี่ยเพื่อจะสร้างฐานะครอบครัวเนี่ยแต่ภายหลังต่างใช้เลก่กเทลากเอาทรัพย์ในครอบครองไปคือเหมือนโจรเนี่ยนะโจรก็ปล้นใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันใช้เล่เหลี่ยมในการที่หลอกลวงเอาทรัพย์ในสื่อก็หมด ไม่ว่าฝ่ายหญิงฝ่ายชายมีจริงๆนะมีอยู่มีอยู่คนคนนึงเขาเล่าให้ฟังเนะนียเนี่ยผนี่นี่สามีเป็นสามีประเภทโจรีภรรยาเอ่ยไม่ค่อยไอโจโจรภัสดาเนะี่ยสามีเหมือนโจรแอบเอาบ้านไปจำนองบ้างเอาที่ไปจำนองหมดโอภรยาเสียสติเงี้ยนะอย่างนี้เสียอย่างเงี้ยเหมือนโจรแต่เราก็เห็นกันอยู่ในสังคมใช่ไหมนันก็มีจริงๆประเภทที่สามภรรยาเหมือนนาย หรืสามีเหมือนนายเนี่ยเป็นนายของกันและการต่างฝ่ายต่างมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันในครอบครัวต่างฝ่ายคิดว่าตนเองเป็นหวนัวเนาะอันนี้เอาอะไรแย่งกันเป็นใหญ่เขาบอกแย่งกันตั้งแต่วันแต่งแล้วมีจริงนะใส่บาตนี้ต้องรีบคว้าข้างบนเงินเขาบอกทำเรื่องสอนกันไว้แปลกบอกใช้คํหยาบหยาบเนาะเวลาตักบาตรนงต้องจับข้างบนนุงอย่าไปจับข้างล่างนุ่งเป็นธาตุมันตลอดไปเขาตันี้เอาแลไรตนี้คว้ากันจับทัพี จับท้าพีที่จะใส่บาตไอ้นี่ผู้หญิงมันฉลาดกว่าไปจับกรรำแน่นติดตรงนั้นเลยติดๆตรงนั้พีคว้าก่อนอยากเป็นหนุหน้านี่ก็เรียกว่าเป็นเหมือนนายประเภทที่สสามีและภรรยาประเภทเนี้เหมือนพ่อหรือเหมือนแม่นเนี่ยแต่และฝ่ายรักรเหมือนรักลูกเนะียประเภทที่ห้าก็คือว่าเหมือนน้องสาวเห็นเหมือนน้องสาวน้องชายเี้ย ประเภทที่หก็คือว่าเหมือนเหมือนพี่เหมือนพี่เออเหมือนเพื่อนเนะี่ยประเภทที่เจ็ดประเภทที่เจ็ดก็เหมือนคนใช้ประเภทสุดท้ายนี่สิสามีหรือภรรยาประเภทเนี้นะไม่ถือเนื้อถือตัวไม่ทําความเสื่อมละเละืล่อมล้ำต่ําสูงรู้จักวางตัวให้เสมอมีความรู้สึกประหนึ่งว่าเป็นคนรับใช้ของกันแลกกันอันนี้ น, นี่จริงๆก็มีซึ่งก็เห็นกันอยู่ พอไปพวกเนี่ยไม่มีโบนมีอะไรต่างๆเนี่ยบางคนมาบอกว่าพวกภรรยาเขาดีจริงๆเพราะงั้นทําอะไรให้ทุกอย่างก็ว่างั้นขนาดเข้าไปในบ้านยังถอดถุงเท้าให้ <c oughs> ถอดรุงเท้าให้เลยนะอย่างกับคนใช้เลยะพอก้าก็ขับไ อ, ไอ้คนที่ก็พูดคำํำขาก็พูดล้อเลียนของส่วนของเราไม่อย่างนั้นก็ว่างั้นในสามเดือนแรกนี่โอ้โหก็ว่างั้นก็มีความสุขมากกลับไปถึงบ้านเนี่ย ไอภรรยาถอดถุงเท้าให้ก็จะมีจะมีเขาเลี้ยงหมาไว้ตัวหมาก็เห่าอยู่หน้าบ้านนันมีความสุขพอพอสามสี่เดือนผ่านไปก็ว่าจะเป็นไงมันกลับกันได้แล้วหมาวิ่งมาถอดถุงเท้าเมียเห่าแทนก็แหมพูดกีนน่าเกียนจริงพวกอย่างนี้พูดว่าเสียเลยว่าเคยได้ยินไว้คนเราเล่าทำไมเล่าอย่างนั้นตึกไป ไอ้เราก็ฟังเพลินกันเลยทะเลาะตัดกันแล้วไม่เปที่แรกภรรยาถอดหน้าเข้าหมาวิ่งมากัดถุงเท้าออกคนเน่ากัาดเป็นเมป็นทีนี้ในการส่งเคราะหภรรยาเนี่ยคำว่าส่งเคราะห์นี่เขาแปลว่าการยึดเหนี่ยวเนี่ยคำว่าส่งเคราะ์เนี่ยแปลว่าการยึดเหนี่ยวคือยึดเหนี่ยวน้ําใจกันการส่งเคราะห์ภรรยาเป็นการยึดเหนี่ยวน้ําใจภรรยา แม้การส่งเคราหสามีก็เป็นการยึดเหนี่ยวน้ำใจสามีเช่นเดียวกันที่ท่นเพิ่งทราบบอกว่าการที่สามีภรรยาส่งข้อกันและกันตามที่พระพุทธองค์แสดงได้ไว้ฝ่ายละหสถานเนี่ยนะถ้าสามีเนี่ยส่งข้อภรรยาด้วยห้าสถานยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยานี่ข้อแรกเนี่ยนะข้อสองไม่ดูหมิน่นดูแคลนภรรยาข้อที่สามก็คือไม่ประพฤติ น, นอกใจภรรยาข้อที่ห้า ให้เครื่องประดับตกแต่งภรรยาพอเหมาะแก่กาลาเทสะ 1. ยกย่องนับถือ2ไม่ดูหมิ่นสามไม่ประพฤตินอกใจสี่มอบความเป็นใหญ่ให้ภรรยามอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านนีและ4ให้เครื่องประดับตกแต่งให้พอเหมาะสมแก่กาลาเทศะเมื่อภรยาได้รับส่งข้อจากสามีอย่างนี้แล้วเนี่ยภรรยาก็ต้องตั้งใจตอบแทนคุณความดีของสามีด้วยการส่งข้อหรือปฏิบัติต่อสามีด้วย5สถานเหมือนกัน 1. จัดการงานดีสองสง่งเคาะคนข้างเคียงคือญาติหรือเพื่อนของสามีสามไม่ประพฤตินอกใจสี่รักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาไว้ให้ดีหขยันไม่เกียจค้านในกิจการทั้งวงเป็นนั้นว่าสามีและภรรยาผู้มีน้ำใจหวังดีต่อกันเนี่ยต่างสง่งเคาะกันตามหน้าที่นี่นะสง่งเคาะกันตามหน้าที่เหตุที่สง่งเคาะกันตามหน้าที่เนี่ย เพราะว่าทำให้สงเคราะกันตามหน้าที่ต่างฝ่ายต่างละห้าดังที่ได้กล่าวเนี่ยให้สมบูรณ์ไม่บกพร่องย่อมสมบูรณ์ด้วยโภกกระรั์และด้วยยศ ด, ด้วยความนับถือจากมวลชนเป็นต้นเหล่านี้เกียรติยศชื่อเสียงดีงามก็จะระบือไปทั่วความสุขกายความสบายใจพร้อมทั้งความรักใคร่ความสนิทสนมก็จะไม่จืดจางนี่พระพุทธเจ้าสอนก็นไว้นะบอกว่าเป็นมงคลสูงสุดนี่การสงเคาะ นี่เป็นอย่างนี้ปุตตะาลัจยาลัตสะทาลัตสะเนี่ยแปลว่าสรงเคราะห์ภรรยาอันนี้สําหรับคนที่ต้องการจะมีครอบครัวก็สรงเคราะห์หรือมีลูกมีหลานใช่ไหมก็ไปแนะนําอันนี้เป็นมงคลนะต่อไปมงคลข้อที่14การงานไม่ข้างค้างอนากลาการงานเป็นจิตใจของออไม่ว่าประเทศใดนะในโลกนี้การงานเนี่ยเป็นหัวใจเป็นจิตใจของประเทศของ นั่นๆเลยเป็นทรัพยากรคือบ่อกเกิดแห่งทรัพย์สินเงินทองเป็นเครื่องป้องกันความเสื่อมโนโมท้องโคลนท้องปวงด้วยการงา น, นเนี่ยและนํามาซึ่งความอุดมบริบูรณ์ทุกอย่างความมั่งคั่งของคนในประเทศชาติเป็นต้นเหล่าเนี้ทีนี้ไอ้มงคลในข้อนี้ในประเทศเขาไม่ค่อยเอาไปสอนกันไม่ค่อยเอาไปแนะนํำกันเพราะอะไรเพราะผู้เป็นใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมองตรงนี้นี่ย ก็ไม่ค่อยเอาไปรดน้ำดงเอาไปปลูกเล่ดมปลูกเล้าสร้างคุณธรรมอะไรกันก็ไม่ไม่ค่อยไปทําอย่างนั้นทีนี้ว่าถ้าให้สังเกต ด, ดูนะี่ประเทศแต่และประเทศเนี่ยที่เขาอุดมสมบูรณ์ทั้งหลายในยมายการงานนั้นนะประเทศไหนคนในประเทศเขาขยันในการทํางานเนี่ยประเทศนั้นค่อนข้างเศรษฐกิจก็ดีความแข็งแกร่งก็ดีแต่ประชากรขี้เกียจเนี่ยนะโอ้ยล่มสลายไม่ยากหรอกเอาเอาใบายามุกไปลงมากๆากเอง นี้าเานาเาไม่ทํางานกันและเล่ น, นกันนั่นกันอย่างเดียวเดี๋ยวยเจ๊งเลยแหละนี่เป็นอย่างนี้ถ้าเรามองดูแล้วประเทศประเทศไทยเนี่ยคนไทยยังนับว่าไม่ค่อยขยนันไม่ค่อยขยนันทีนี้บุบคคลผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปจยัจจัยเียอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเนี่ยซื้อหามาได้ด้วยทรัพย์และทรัพย์สินย่อมได้มาจากการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอาชีพการงานที่จะก่อให้เกิดรายได้นั้นก็ต้องเป็นงานดีได้ประโ แล้วก็ต้องไม่ค้างค้างด้ที่ลักษณะของการงานที่เป็นอากูลที่ค้างค้างเนี่ยคนะ้างค้างนี่แปลมาจากศัพท์คําว่า อ, อากุระเนี่ยแปลว่าค้างค้างอากุระหรือเรียกว่าอากรูนแผงมาใช้เป็นภาษาไทยว่าอากูลการงานที่อากูลท่านว่าได้แก่การงานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ทําไม่ถูกการ 2. ทําไม่สมควร 3. การไม่ทําี การทําที่ย่อหย่อนมีสีประการนี่นะประการแรกก็คือว่าการทําไม่ถูกการก็คือว่ายังไม่ถึงเวลาที่ควรทําก็ทําลงไปบ้างเริ่มทําเมื่อล่วง้งเลยเวลาบ้างเนี่ยเนี่ยเพราะแปลว่าการงานไม่เหมาะเช่นเริ่มมาเรียนหนังสือตอนแก่อันนี้ไม่ถูกแล้วเอ๊ะอย่างงี้มาเรียนท็อปธรรมะตอนนายุ่มากนี่ถูกการไหมเนี่ยจริงๆต้องเรียนก่อนนะอันนี้จริงๆต้องเรียนก่อนนะอันนี้เกินจําไม่ค่อยได้ไงอืมจาไม่ค่อยทันแล้ว บางคนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นมาเรียนมันมีโยมคนหนึ่งนะที่ไปเวลาไปสอนที่ที่กรุงเทพเนี่ยแกบอกอืผมไม่70กว่าแล้วก็ว่าผมจําอะไรไม่ได้เลยท่านเวลาท่านอาจารย์มาพูด <c oughs> พูด <c oughs> ไปเสร็จ <c oughs> ผมก็ลืมซะหมดก็เลยบอกว่านี่แหละการงานที่ค้างค้างคือทําไม่ถูกการเนี่ยจริงๆแล้วตอนแก่เนี่ยควรจะเก็บของเก่า มามาทบถวนได้แล้วอันนี้เราเพิ่งจะมาเก็บของใหม่ใช่มมั น, ม, นมันไม่ค่อยทันกันแต่ก็ยังดีดีกว่าไม่ทำใช่แต่ก็เอาละข้อนี้ก็เสียการไปหน่อยคือต้องเรียนในวัยหนุ่มประการที่สองคือทำไม่สมควรหมายถึงทำไม่ถูกลักษณะของงานงานอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้แต่พลาไปทาเียอย่างตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษานีนะ่ไปลงทะเบียนเรียนแล้วไม่เรียนกลับไปทากิจกรรมอย่างอื่นแทนการเรียน ถึงเวลาสอบไม่สอบนี่นีหรือไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมการสอบเข้าไปเข้าห้องสอบอย่างนี้เขาเรียกว่าทําไม่สมควรหรือการทําการงานทุกอย่างเนี่ยนีไม่ได้ฝึกฝนอะไรเบ็ดเสร็จแล้วแต่ว่าเข้าไปที่จะไปทําไม่มีความรู้อะไรนี่เขาเรียกทําไม่สมควรไปทําอีกอย่างหนึ่งย่อมไม่ได้ผลต่างก็คือหมายความว่าย่อมย่อมได้รับผลไม่ดีเท่าดี่วประการที่สานี่แย่หน่อยคือการการไม่ทําข้อนี้ เมื่อไม่ทาก็ย่อมไม่สําเร็จถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้ถ้าไม่ดูไม่เห็นเป็นต้นไม่ทำมันก็ไม่เป็นเงื้ยประการสุดท้ายคือการการทำการงานที่ย่อหย่อนก็คือว่าทำสักแต่ว่าทำไม่บากบานไม่เพียนไม่เพียนด้วยเรียวแรงและความสามารถทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ไม่ขมักขมันยอมแพ้ง่ายๆทาอะไรไปก็ไม่ไหว เออคนที่ใจไม่สู้เนี่ยถ้าใครได้เป็นเพื่อนโรงงานนี่ยุ่งเนี่ยพอทําทําไปหน่อยผอไม่ไหวแล้วใจถอดจะง่ายๆเนี่ยเนาะโอ้ประเภทเขาเรียกว่าเออสมัยก่อนเขาในพานเนี่ยเวลาเขาจะเลี้ยงสุนัขเนี่ยเขาเอาเข้าไปในป่าเนี่ยเออเคยไปถามมีโยมคนหนึ่งรู้จักเขาเป็นในพานแถวบ้านมีป่าเยอะเนี่ยแกเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขเนี่ย ย0่สตัวนี่ยแกเข้าไปในป่าเต็ไมไปหมดเลยแต่แก บ, บอกว่าบางตัวแกไม่เลี้ยงเลยแกว่าเก็บเอาไปปล่อยแกทิ้งเลยถามทําไมแกบอกบางตัวมันกัดไม่ติดคือเวลามันวิ่งวิ่งไล่เนื้อไล่จับสัตว์เนี่ยมันวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปหน่อยมั น, มนหรือว่าไปกัดหยอกหยอกเนี่ยกัดไม่ติดถ้าตัวไหนกัดแล้วไม่ยอมปล่อยเลยเขกเขาเนี่ยตัวนี้เขาว่าโอ้โหตัวนี้เขาเลยกัดตัวไหนกัดแล้วกัดติดเลยว่า เอนี่ก็เวลาการทํางานก็เหมือนกันบางคนจับหรือทํางานเนี่ยทำทำนิดนิดหน่อยหน่อยก็เหมือนกัดไม่ติดไม่ต่อเนื่องไม่คํามัก็่ามันอย่างนี้ก็คือว่าเขาไม่เลี้ยงอะไม่ได้รางวัลไม่ได้รางวัลต้องประเภทกัดติดกัดแล้วไม่ปล่อยบางทีกัดจนฟันหักเลยนะหมาบางตั ว, ตวกัดขนาดนั้นเลยนี่เป็นอย่างนี้ในพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่ายังกินจีสัต สะทลังการงานที่ทําทําอย่างย่อหย่อนหนึ่งสังกิริษฐานจะยังวตัตข้อวัดปฏิบัติที่เศร้าหมองอย่างหนึ่งสังกัด ส, สรังพรหมจริยงพรหมจรรย์ที่นึกขึ้นมาแล้วทําให้รังเกียจตนเองนั้นอย่างหนึง่งหน้าดังโหติมหาพลังสามอย่างนี้หวังผลมากไม่ได้การงานที่ทําย่อหย่อนวัดปฏิบัติที่เศร้าหมองพรหมจรรย์ที่นึกขึ้นมาได้แล้วรังเกียจตนเองเนี่ย ทั้งสประการนี้หวังผลมากไม่ได้ทีนี้การที่บุคคลทํางานตรงกันข้ามกับลักษณะไม่ดีทั้งสประการนั้นก็คือทําถูกการทําสมควรลงมือทําทําอย่างขยันขันแข็งอหนึ่งลักษณะอย่างนี้นะบอกว่าเมื่อเราทํางานครบทั้งสประการการงานย่อมสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่อากูลพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในในพระสูตร บ, บอกว่าปฏิรูปปการี ธุรวาอุท่าตาวิทเตทะนังก็ปแปล ว, ว่าผู้ขยันผู้มีธุระอยู่เสมอทําการงานได้เหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้คนขยันเนี่ยแล้วก็คนทํากิจการอยู่เสมอเสมอเนี่ยทำการงานได้อย่างเหมาะสมอหาทรัพได้ไม่ยากเลยคําว่ามีธุระอยู่เสมอหมายความว่าเป็นคนมีงานทําอยู่เสมอเป็นคนไม่ว่างใช่ไหมแต่วันนี้ทําอะไรว่างนเนี่ย ไอ้คนมีทุลักอยู่เสมอคนไม่ว่างเนี่ยเป็นคนไม่อยู่เฉยๆไอ้คนไม่อยู่เฉยๆจะไม่กุ้มใจและไม่บว่นว่าไม่มีอะไรทำเนียเมื่อกี้บอกว่าอย่างบางคนว่าเออช่วงนี้ไม่ได้ทาอะไรทาอยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวก้มเย่ายวกุ้ ม, มจริงๆต้องมีที่ทำโอ้โหยิ่งการทำการงานทางจิตใจได้แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาเยอะ การทำงานได้เหมาะสมหมายความว่างานที่ทำนั้นเหมาะสมกับการสมยัเมสมสมยเหมาะสมกับภูมิประเทศเป็นต้นบุคคลผู้มีความฉลาดมีความขยันหมั่นเพียรมีทุเลาอยู่เสมอและกระทาความสมควรย่อมตั้งตัวได้จากต้นทุนนั้นนอดแล้วก็ยกตัวอย่างบอกว่าอย่างคนคนหนึ่งเนี่ยที่ก็ไปเห็นหนูนั่งบนไปบนเกวียนเนี่ยไปกับคนอื่นนั่งไว้บนเกวียนพอเห็นหนูตายตัวหนึ่งปุ๊บนี่ แกนึกในใจว่าแกจะต้องรวยเพราะหนูตัวนี้เห็นไหมแต่คนคนมีวิธีคิดเนี่ยเห็นหนูตายตัวเขาคิดแล้วเขาจะต้องรวยอย่างบางคนยังคิดไม่ออกมันคิดตลอดสายไม่ได้ใช่ไหมบางคนนี่คิดตลอดตลอดสายเลยนะหนูตัวนี้จะไปแลกอะไรที่จะได้ทรัพย์มาเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วจะไปแลกอะไรที่มันจะได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปตามลําดับในจุดเริ่มต้นจากหนูตายกลางทางแล้วก็ตั้งตัวได้ซึ่งก็มีตัวอย่างหนะ เดี๋ยวนี้ถ้าเห็นหนูตายคิดไม่ออก <c oughs> คิดไม่ออกว่ามันจะตั้งตัวได้ยังไงใช่ไหมไม่คิดไม่ออกสรุปความว่าการรู้จักการเวลาในการทํางานการทํางานให้เหมาะสมกับการทํางานให้ดีการทํางานให้สําเร็จเรียบร้อยไม่อากูลข้างค้างไม่เสื่อมเสียวุ่นวายสับสนและยุ่งเหยิงชื่อว่าเป็นมงคลสูงสุดนะเป็นเหตุให้ผู้ทําเจริญด้วยทรัพย์สมบัตินาความสุขความสําราญมาให้ทั้งในโลกนี้และโลกนะั่น วิธีทำงานไม่อากูลตามหลักมงคล น, นีน่ในข้อที่14ี่ต้องทำด้วยคุณลักษณะ4ประการก็คือหนึ่งต้องเต็มใจทำา 2. ต้องแข็งใจทำามต้องตั้งใจทำสี่ก็ต้องเข้าใจทำเต็มใจแข็งใจตั้งใจแล้วก็เข้าใจเป็นมงคลได้ไม่อากูลคือถ้าทาํา